อารมณ์ที่เราจะจะให้ใส่ใจในในตอนตอน้ตนๆนี้ไปก่อนเนี่ยก็คือกําหนดกิริยาบทในสติปัฏฐานเนี่ยท่านแสดงลมหายใจเข้าออกก่อนเราไปเปิดดูจะพบอานาปานะ บ, บพะอนาปานะก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกดูพองยุบจะดูลมหายใจเข้าออกดางท่านเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะบางท่านก็กําหนดสอนให้กําหนดหายใจเข้าท้องพองกําหนดพองหนอ หายใจออกท้องยุบกำหนดยุบหนอ่อเอาลมหายใจเข้าออกไปควบคู่กับพองยุบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเป็นสิ่งเดียวกันจะไม่เป็นวิปนะัสสนาจะไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะลมหายใจเข้าออกเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์ของส ม, มถะหากกำหนดใปก็จะเป็นส ม, มถะตลอดจะไม่เป็นวิพพสนาแต่ที่ท่านให้เรากำหนดอาการพองอาการยุบเนี่ยไม่ได้กำหนดลมหายใจ ให้เอาใจไว้ที่หน้าท้องแล้วก็ดูอาการที่มันขยายเข้าขยายออกขยายเข้าเยมีไหมขณะนี้มีไหมเฮะมีหรื อ, รอเปล่าามือแตะที่ท้องดะลองดูลองแตะดูสิมืออยู่นิ่งๆไหมมีอะไรดันมือบ้างมีไหมนั่นแหละการพองอาการยุบตรงนั้นเนี่ยรู้รู้อาการนะ่ยเอาจิตไปรู้ตรงนั้นไม่ได้รู้ลมนะอาการนั้นเป็นอาการของกายเป็นการกําหนดกายนะ่ะตรงนั้นเน่ะกายถ้ากําหนดกายเนี่ยกายเป็นปมรมาณกากำหนดกาย แต่ถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยลมหายใจเข้าออกเป็นบัญญัตินั่นเวลาเรากำหนดเนี่ยเรากำหนดไม่ถูกกายไงที่เรากำหนดแล้วสงบเนี่ยไม่ถูกกายอะเราไม่ถูกอาการเรากำหนดไปแล้วเนี่ยจิตเลยสงบทันต้องการให้เรากำหนดอาการถ้าจะกำหนดพองยุบทันทีกำหนดไม่ทันเอามือแตะท้องแล้วดูอาการเคลื่อนไหวน่ะที่ที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆเยเราจะเห็นว่าท้องเนี่ยมีอาการเคลื่อนไหว เพียงแต่รู้เท่านั้นเองรู้มีอาการอะไรๆก็รับรู้ให้เข้าไปรู้สึกอที่พองหนอนนั่นอ่ะที่บริกรรมว่าพองหนอเนี่ยใจต้องรู้ตรงนี้ที่บริกรรมมายุบหนอเนี่ยใจใจต้องรู้ตรงนี้นะต้องการให้รู้ตรงเนี้ยไม่ได้รู้ที่อื่นต้องการให้รู้ที่นี่พองยุบกระลมหายใจเข้าออกไม่ใช่สิ่งเดียวกันในสติปัฏฐานท่านแสดงลมหายใจเข้าหายใจออกก่อน ทำไมแสดงลมหายใจเข้าออกเพราะว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทําจิตของเราเนี่ยให้เกิดสมาธิจะทําให้จิตเนี่ยเกิดสมาธิเล้ก็ดินลมหายใจเข้าออกสักระยะหนึ่งเนี่ยจิตจะตั้งมั่นนะจิตจะเป็นสมาธิคราวนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราสามารถนํามาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาตอนหลังได้ คือท่านท่านมีอุบายวิธีให้เราให้เรานำมาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาโดยการทําจิตอยให้ตั้งมั่นจนถึงที่สุดนะทำมาตั้งมั่นถึงที่สุดเนี่ยคืออะไรอ่ะตั้งมั่นถึงที่สุดก็คือสงบแนบแน่นจนจิตไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆจิตที่แนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาเรียกว่าฌานาจิตจิตเข้าถึงความเป็นฌานในขณะที่ฌานาจิตเกิดเนี่ย ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกห้าประการความรู้สึกอย่างไรอ่ะความรู้สึกห้าประการก็คือสภาพของวิตกตรึกถึงอารมณ์สภาพของวิจารอยู่กับอารมณ์สภาพของปีติชื่นชมยินดีในอารมณ์นั้นแล้วก็สภาพของความรู้สึกสบายต่อจากนั้นจิตก็อยู่กับอารมณ์นั้นไม่ไปไหน มีภาวะห้าประการเกิดขึ้นถ้าภาวะห้าประการเกิดขึ้นจากการกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาเรียกว่าฌานจิตพระธรรมะท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์ปีติสุกเอกัคคตาฟังแล้วก็ฟังยากอยู่แต่เป็นภาวะที่เราเอามาแปลเป็นภาษาเราๆได้วิตกก็คือสิ่งพาจิตไปหาอารมณ์ก็คือตรึกถึงตรึกถึงวิจารณ์ก็คือสภาพจับสิทธิ์จับอารมณ์ ปิติก็คือความรู้สึกชื่นชมยินดีในอารมณ์ฉุขก็คือความรู้สึกสบายแล้วก็เอกคัาตาได้แก่ความสงบเกิดขึ้นพอภาวจิตมีสภาพห้าอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านให้เรานําไปพัฒนาสู่ปัญญาโดยการกําหนดสภาพห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งสติปัฏฐานเนี่ยท่านจะเน้นให้กําหนดสองอย่างนะ ก็เป็นสิ่งปรากฏชัดสองอย่างคืออะไรอ่ะสองอย่างก็คือความรู้สึกสบายกับความรู้สึกชื่นชมยินดีให้ให้กําหนดสองอย่างเนี่ยในบรรดาองค์ฌานห้าประการเนี่ยความรู้สึกสบายเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดความรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดท้าให้เราเข้าไปเข้าไปทาําความเข้าใจสิ่งสองสิ่งนี้ เวลาเกิดขึ้นเราก็รับรู้ความรู้สึกสบายเกิดขึ้นเราก็รู้ความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นก็รู้สภาพของของปีติและสุขเนี่ยเขามีการเกิดการดับพอไปกําหนดปีติก็จะเห็นสภาพของปีติมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดถ้าไปเห็นมีแล้วก็หมด เ, เห็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเห็นสภาพตามความเป็นจริงการเข้าไปเห็นอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญา เห็นการเกิดขึ้นของปีติเห็นการดำรงอยู่ของปีติเห็นการหมดไปของปีติเห็นความเกิดขึ้นของความรู้สึกสบายเห็นการดำรงอยู่ของความรู้สึกสบายเห็นการหมดไปของความรู้สึกสบายเข้าไปมองเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาไอ้ลักษณะเข้าไปเห็นอย่างเนี้ท่าเรียกว่าปัญญาแล้วที่เรามาฝึกกันเนี่ยต้องการเอาตัวนี้นะมาฝึกกาหนดกายเดินบางกายยืนบางกายนั่งบ้างกายนอนบ้างกาหนดความรู้สึกบ้าง ต้องการพัฒนาจิตเนี่ยให้เข้าไปเห็นถ้าเห็นถ้าจะดูกายก็เห็นการเกิดดับของกายถ้าจะดูความรู้สึกก็เห็นการเกิดดับของความรู้สึกเกิดก็คือมีดับก็คือหมดทำมาเกิดดับเนี่ยท่านเอามาใชาก้กระสั์ว่ามีและหมดนั่นแหละปรากฏการเกิดขึ้นมีอยู่เรียกว่าเกิดปรากฏการนั้นหมดไปเรียกว่าดับ ท่านต้องการให้เราพัฒนาจิตเข้าไปรับรู้ตรงเนี้เพราะการเข้าไปรับรู้ตรงเนี้ยจะทําให้เราเกิดความเข้าใจว่าจะเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยสําคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นจิตของเราไปข้องเกี่ยวแล้วสลัดไม่ออกแต่ถ้าเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริง เมื่อจะเป็นสิ่งมาทางตาก็หมดไปจากตามาทางหูก็หมดไปจากหูมาทางจมูกก็หมดหมดไปจากจมูกมาทางลิ้นก็หมดไปจากลิ้นมาทางกายก็หมดไปจากกายปรากฏในใจก็หมดไปจะมาทางไหนทางไหนก็มีหมดไปหมดไปพอเห็นหมดไปนะเห็นบ่อยๆนะใจก็เริ่มเฉยแล้วเฉยอย่างไรเพราะมองเห็นเอ๊ะไม่มีอะไรเนี่ย สมัยก่อนเราคิดว่ารูปสวยเพราะใจส่งไปข้างนอกปรุงแต่งในภาษาบัญญัติแต่ปัจจุบันนี้มากําหนดสิ่งที่กระทบทางตาแล้วเห็นเขาหมดไปจากตาพอเห็นเขาหมดไปอย่างนี้ไอ้สิตสําคัญมั่นหมายว่าสวยในสมัยก่อนก็จะไม่มีเพราะกระทบแล้วก็หมดจิตก็เลยไม่รู้จะยึดถืออะไรเสียงที่ดังที่หูเนี่ยดังแล้วก็หมดพอเรากำหนดตรงนี้ไม่ทันมันก็เลยไปถึงเสียงด่าเสียงชมมันก็มีมีการด่ามีการชมก็เลยชื่นชมยินดีเกิดความขัดใจ แต่ถ้าเราเข้าใจการปรากฏเป็นสภาพที่มาปรากฏเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานเนี่ยเขามีหน้าที่กระทบนะรูปก็มีหน้าที่กระทบตาเสียงก็มีหน้าที่กระทบหูกลิ่นก็มีหน้าที่กระทบจมูกรสก็มีหน้าที่กระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็มีหน้าที่กระทบกายตาท้าเรียวจักขู่หูท่าเรียวโสตจมูกท่าเรียวคาระ ลิ้นทะเลว่าชิวหากายทะเลวะกายยะเขาทําหน้าที่กระทบซึ่งกันเลยกันเป็นสภาพที่กระทบซึ่งกันเลยกันท่านต้องการให้เราเห็นสิ่งสองสิ่งที่เขากระทบกันแล้วก็จากกันการมาฝึกจิตเนี่ยต้องการให้จิตเกิดความรู้สึกไวแล้วไปเห็นการกระทบกันจากแล้วมองเห็นว่าสิ่งสองสิ่งนั้นหมดไปไม่มีอะไร พอเห็นว่าหมดไปไม่มีอะไรสมัยก่อนเคยยินดีปัจจุบันนี้ยินดีก็ไม่เกิดสมัยก่อนเคยขัดใจปัจจุบันนี้ขัดใจก็จะไม่เกิดเพราะไม่มีอะไรให้ยินดียินร้ายควรู้สึกยินดียินร้ายจึงหมดไปเนี่ยการการการเจริญวิปสัสนาเนี่ยมุ่งมุ่งตรงนี้ที่ทำอย่างไรจิตจะเข้าไปสู่ภาวะเช่นนั้นได้อะาจิตจะเข้าไปสู่ภาวะเช่นนั้นได้ก็ต้องมามาฝึกมาฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็ฝึกฝึกกําหนดของหยาบ กำหนดอะไรกำหนดกายลมให้ใจเขาออกจนเรียกว่ากายเราลมให้ใจเขาออกเนี่ยเอาลมให้ใจเข้าออกฝึกให้จิตสงบทําจิตที่มีกําลังพรจิตสงบจิตมีกําลังแล้วก็เอาจิตที่มีกําลังนั้นเนี่ยมากําหนดอัตภาพร่างกายจริงๆนี้กายของคนเราเนี่ยจะปรากฏอยู่สี่ประการในชีวิตประจาวันเนี่ยกายหยับหยับกายนั่งอยู่ขณะนี้กายยืนขึ้น กายเดินไปหรือกายนอนจะมีอยู่สี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเน now, like you know ี่ยกายของเราเนี่ยจะจะปรากฏอยู่ในอิริยาบทใดอริยาบทหนึ่งท่านต้องการให้เราตามรู้กายทั้งหมดไม่ว่ากายจะอยู่ในอิริยาบทใดก็แล้วแต่ถ้ากายเดินอยู่ก็รู้กายที่เดินถ้ากายยืนอยู่ก็รู้กายที่ยืนถ้ากายนั่งอยู่ก็รู้กายที่นั่งถ้ากายนอนอยู่ก็รู้กายที่นอนเพราะจุดมุ่งหมายท่านต้องการให้เราเข้าใจกาย จุดมื่อหมายเนี่ยท่านต้องการให้เรารู้กายโดยอาศัยกายเนี่ยเป็นอุ ป, ปกรณ์ให้เกิดความรู้สึกสองประการความรู้สึกประการแรกก็คือสัาพของการระลึกถึงเขาเรียวกว่าสติความรู้สึกประการที่สองก็คือความรอบรู้ได้เก่สัมปชัญญะงั้นอาศัยกายที่กำลังเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เนี่ยเป็นอุ ป, ปกรณ์ในการทำให้สติเกิด เป็นอุปกรณ์ในการทำให้สัมปชัญญะเกิดประเด็นหลักอยู่ที่สติและสัมปชัญญะนะต้องเข้าใจตรงนี้นะประเด็นหลักเนี่ยต้องการให้มีสติและลึกถึงประเด็นหลักต้องการให้มีความรู้สึกพอเราเข้าใจประเด็นหลักที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะไม่ไปใส่ใจประเด็นรองบางท่านไปให้ความสำคัญมั่นหมายประเด็นรองอะไรเป็นประเด็นรองคือกายกายเป็นประเด็นรองบาทีไปจัดระบบระเบียบให้กายนะ กายต้องมีระบบระเบียบจะต้องยืนอย่างนี้ต้องอยกเท้าข้างนี้จะต้องบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้ไปจัดระบบระเบียบให้กายคือไปใส่ใจประเด็นลองมากกว่าประเด็นหลักไปใส่ใจตัวอารมณ์และไปจัดระบบระเบียบให้อารมณ์อารมณ์นั้นนะ่ะถึงจัดให้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ไปเสียเวลาจัดไปให้ความสําคัญตัวนั้นมาก จริงๆเนี่ยท่านต้องการให้เราเนี่ยทำให้สติเกิดให้มากทำให้สัมปชัญญะเนี่ยเกิดให้มากรนากายเนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะอย่างไรอย่างไรก็ตามนะท่านต้องการให้เรารู้กายอันนั้นตรงนี้พระพจาท่านแสดงไว้ชัดเจนนะว่ายถายถาวาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานังประชานาติกายปรากฏอยู่อย่างไรอย่างไร ให้ใส่ใจกายที่กำลังปรากฏอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแสดงว่าท่านไม่ต้องการให้เราไปจัดระบบกายเพียงแต่ให้เราให้เราให้ความสำคัญในการเข้าไปรู้กายประเด็นตรงนี้นะท่านต้องการให้เราให้ความสำคัญในการเข้าไปรับรู้เพราะการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุได้โดยปัญญาการแจ้งในพระนิพพานเนี่ยแจ้งโดยปัญญา นันประเด็นหลักก็คือทําปัญญาให้เกิดปัญญาคืออะไรปัญญาก็ได้แก่สภาพความรอบรู้สิ่งที่มีอยู่ตามความจริงคือท่านต้องการให้เราเข้าไปรู้ตามความจริงครานนี้ก็กลายเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยต่อจากนี้ไปเรามาปาราลบถึงกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยให้เราเข้าใจว่ากายเนี่ยเป็นแต่เพียงที่อาศัย ให้สติระลึกถึงและท่านจะสรุปนะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกหมวดนนะไปเปิดดูนะกายมีอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกเป็นเครื่องอาศัยเข้าไปรับรู้เท่านั้นนะคืออาศัยกายเนี่ยเป็นเครื่องให้สติเข้าไประลึกกับสัมปชัญญะเข้าไปรู้สึกเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นอารมณ์ที่เราเข้าไปกําหนดทั้งหมดเนี่ย มีเอาไว้เป็นเครื่องอาศัยให้สติรละลึกถึงกับสัมปชัญญะเข้าไปรู้พอเราเข้าใจแบบนี้เราก็เริ่มกําหนดกายกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนคราวนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือทําอย่างไรจึงจะกําหนดทันทันกายยืนเวลาใดกําหนดทันเวลานั้นเดินเวลาใดกําหนดทันเวลานั้นนั่งเวลาใดกําหนดทันเวลานั้นนอนเวลาใดกําหนดทันเวลานั้น ทำอย่างไรจะ ก, กําหนดทันาการจะกําหนดทันก็คือจิตต้องอยู่กับกายตลอดให้จิตเนี่ยอยู่กับกายตลอดจิตอยู่กับอัตภาพร่างกายเนี่ยพอจิตอยู่กับกายนี้กายเขาจะเปลี่ยนไปสู่อริยาบถใดก็จิตก็จะรู้หมดแต่ถ้าจิตออกจากกายอันนี้จิตก็จะไม่รับรู้เดินอยู่ก็ไม่รู้ยืนอยู่ก็ไม่รู้นั่งอยู่ก็ไม่รู้นอนอยู่ก็ไม่รู้ในชีวิตประจําวันเรารู้ไหม ไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะจิตไม่ได้อยู่กับตัวเองจิตก็เลยคิดถึงคนอื่นนะะคิดถึงคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคิดมาแล้วบางทีก็เครียดนะคิดไปแล้วก็มึนงงทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์อ่ะแต่ถ้าถ้าจิตอยู่กับตัวเองอ่ยจิตอยู่กับตัวของเราเองเนี่ยกายจะไปทำอะไรอะไรก็รู้หมดถ้าบุคคลที่เอาใจไว้กับกายติดตามกายได้ตลอด จิตของเราเนี่ยจะเบาให้สังเกตเนะจิตจะไม่หนักเพราะจิตที่อยู่กับกายจิตที่อยู่กับความรู้สึกเนี่ยมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตอนนั้นเนี่ยความทมี่ตกไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความหงุดหงิดไม่เกิดความคุณนข้องมองใจไม่เกิดสติสัมปชัญญะเข้าคุมใจอยู่ให้เรามาฝึกเนี่ยเราต้องการฝึกฝึกในลักษณะนี้นะฝึกกาหนด อาคี้จะกาหนดให้ทันเนี่ยตมาได้บอกแล้วนะวันนี้นะอย่างยืนเนี่ยเราจะเริ่มกําหนดเมื่อไหร่ปกติใจต้องอยู่กับกายตลอดถ้าใจอยู่กับกายตลอดมันจะไม่มีเริ่มคราวนี้ใจไม่อยู่ไม่อยู่กับกายตลอดเนี่ยเราจึงมีการเริ่มสําหรับคนฝึกนะฝึกใหม่ๆฝึกใหม่ๆ ใ, ใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายนี้ใจไปคิดถึงอะไรต่างๆอยู่อ่าก็ไม่เป็นไรแต่แบบนั้นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมีอุบายวิธีท่านให้เราฝึกอย่างนี้ สำหรับบุคคลที่ใจไม่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยเวลาจิตคิดยืนหรือคิดจะเดินคิดจะนั่งหรือคิดจะนอนก็นแล้วแต่จิตคิดจบเวลาใดให้น้อมเข้ามาดูกายในเวลานั้นจำแบบนี้จำจำตรงนี้ไว้น่ะพอจิตคิดจะยืนเวลาใดน้อมจิตเข้ามาดูกายเวลานั้นเอาจิตเข้ามาไว้กับกายก่อน พอจิตเข้ามาไว้กับกายเนี่ยเราจะเห็นขบวนการของกายทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนจากอาการเก่าไปสู่อาการใหม่อาการเก่าก็คือปรากฏอยู่ในท่าเก่าอาการใหม่ก็ตั้งแต่มีการขยับขยับมือนิดหนึ่งก็เป็นอาการใหม่ก้มไปนิดหนึ่งก็เป็นอาการใหม่ยันตัวขึ้นก็เป็นอาการใหม่อันนั้นเป็นอาการใหม่หมดเราจะเห็นอาการใหม่ๆทั้งหมดทุกอาการกําหนดกายเนี่ยกําหนดที่อากัปกิริยาอาการ ให้กําหนดกิริยาอาการเห็นไหมพอเราไปรู้อาการหนึ่งสติระลึกถึงครั้งหนึ่งสัมปชัญญะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งไปรู้อีกอาการหนึ่งสติก็ระลึกถึงอีกครั้งหนึ่งสัมปชัญญะก็รู้อีกครั้งหนึ่งสติก็เกิดเรื่อยเลยคันนี้ยเพียงแต่ดูอาการเนี่ยสติเกิดนับไม่ถ้วนนะยืนครั้งหนึ่งเนี่ยมีอาการให้เราดูเยอะแยะหมดมีอาการให้เราเอาสติเข้าไประลึกได้เยอะแยะมีอาการให้เอาสัมปชัญญะเข้าไปรับรู้ได้เยอะแยะแล้วเราก็ได้สติและได้สัมปชัญญะ เวลาเดินก็จะมีอาการอัตกระถาท่านแสดงอาการไว้เพียงหกระการแต่จริงๆมีมากกว่าหกอาการวเวลาฝึกครูบาอาจารย์ก็ให้เราฝึก3ามสเตปในหกอาการนั้นให้จิตของเราสลับไประ ล, ลึกข้างซ้ายบางข้างขวาบางซ้ายย่างหนอปวาย่างหนอเนี่ยฝึกจิตให้พลิกไปพลิกมาให้ไวต่อจากนั้นก็จะกาหนดมากขึ้นมีการกาหนดยกก็รู้ย่างก็รู้เห ย, ยียบก็รู้ ว่าจะการบอร์ทราละเอียดยิ่งกว่านั้นไปอีกยกส้นก็รู้ยกขึ้นก็รู้นะแล้วก็ย่างไปก็รู้หย่อนลงก็รู้ส้นปลายเท้าแตะก็รู้ส้นเท้ากดลงไปหนังหนักก็รู้เป็นการรู้อาการแต่จริงๆแล้วอาการมากยิ่งกว่านั้นอีกเราลองเดินเนี่ยแล้วดูอาการอาการโยกไปก็เป็นอาการนะก็ต้องดูดูทั้งหมดเข้าไปดูในอาการกิริยาอาการเหล่านั้นทั้งหมดอาการเดินอาการยืนอาการนั่งอาการนอน ท่าน้องการให้เราตามอาการเรานั้ทั้งหมดพอพอจับประเด็นได้ไหมตรง น, นี้ได้นะกนําหนดกําหนดได้ไหนะลองยืนดูหน่อยสิอลองสิกำหนดแล้วหรือยังเนี่ยกำหนดแล้วน ะ, ะกนําหนดตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตอนเอามือลงคู่ไปข้างหน้ารู้หมดไหมรู้หมดไหมยังต้องบอกด้วยมหมยังต้องบอกว่าเขาคู่เขาไม่ต้องบอกแล้วรู้เลยใช่ไหมถ้ารู้เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าคําบริกรรมหลุดหายแล้ว คำบริกรมรมถ้าหลุดหายไม่ต้องไปดึงกลับมาอีกนะอย่าไปพยายามดึงเอากลับมาใหม่อีกบางคนกลัวกลัวคำบริกรรมหายเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งอาจารย์คำบริกรรมหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วคำบริกรรมหายวาคำบริกรรมหายจะทำไงดีออหายก็หายไปไม่ต้องไปกลับเอามาใหม่ไม่ต้องไปพยายามนะบางทีเอาลองกำหนดเลยเดี๋ยวอาจาจะให้ทดลองดูนะลองทำแบบนี้สิอบอกได้ยกวางยกวาง ยกวางทําให้เร็วสิให้เร็วที่สุดเลยอ่ะบอกทันไหมครั้นี้บอกยกวางทันไหมบอกไม่ทันนะแต่รู้ทันไหมท่านให้เอารู้ไม่ให้เอาบอกถ้าเราบอกยกวางยกวางเนี่ยไม่ทันแล้วแต่ถ้าเราจะพยายามบอกกายจะไม่เป็นป ก, กติแล้วกายจะเร็วอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันบอกบอกมันจะช้าฝ่าดงั้นเปื่อช้าฝาก็ต้องบังคับกายให้ช้าฝาให้คําบริกรรมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยดี แต่ทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจคําบริกรรมเขาหลุดหายไปแล้วเราจะเอามาไว้อีกเนี่ยสแสดงว่าความรู้สึกของเราเนี่ยไวัยฝ่าการบอกแต่เราพยายามจะเอากลับมาอีกก็เราจะต้องมีการบังคับแต่ตอนนี้นี่แหละเราจะปฏิบัติแบบเก๊เก๊กลางกลาแล้วจะไม่กล่าวหน้าก็จะอยู่ขนาดนั้นเนี่ยจะไม่มีโอกาสกลาวหน้าเมื่อคำบริกรรมหลุดหายไปแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้ายังมีอยู่ก็มีไปไม่เป็นไรทําไปสักระยะหนึ่งเขาหลุดหายไปก็ปล่อย ก่อนยืนท mm ํำไงก่อนก่อนยืนเอาใจมาไว้กับตายก่อนแล้วก็ดูอาการไหนเปลี่ยนก่อนก็ดูอาการนั้นอาลองลองดูสิลองยืนดูกําหนดทันทั้งหมดไหมถ้ากำหนดทันทั้งหมดนั่นแหละสติและสัมปชัญญะทั้งนั้นเลยเป็นสติและสัมปชัญญะเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยสติเกิดแล้วสัมปชัญญะเกิดแล้วนะยืนเสร็จแล้วหรือยังยืนเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วนะตาหนี้กําลังทําอะไรอยู่อ่ะอ่าไนก็ยืนเสร็จแล้วว่ะยืนยังไม่เสร็จนะเด็ยืนจบแล้วหรือยังยืนเนี่ย ยืนยังไม่จบนะยืนอยู่แบบนี้เรียกว่ายืนอยู่ถ้ายืนจบแล้วเมื่อไรจึงจะจบอะ่ะนั่นแหละคิดจะเปลี่ยนอิริยาบทจึงจบแล้วให้เข้าใจแบบนี้นะถ้ายังไม่คิดเปลี่ยนออริยาบทยืนยังไม่จบเมื่อยืนอยู่ทำไมก็รู้กายยืนดูกายยืนยืนท่าไหนรู้ไหมคะนี้ขณะยืนอยู่ก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามีอาการย่อยในกายยืนเนี่ยจะมีอาการย่อยย่อย อาการย่อยๆก็คือโยกไตยโยกมามือแปงไตแปงมาเงยบางกลมบ้างถ้ามีอาการย่อยๆสติก็ระลึกถึงอาการย่อยๆถ้าไม่มีอาการย่อยๆจะทาแบบไหนอ่ะถ้าไม่มีอาการย่อยๆกายยืนอยู่นิ่งๆแต่ใจท่านไม่ให้นิ่งเอาใจตามระลึกไปในอาการต่างๆระลึกไประลึกครั้งหนึ่งสติก็เกิดครั้งหนึ่งสัมปชัญญะก็เกิดครั้งหนึ่ง ระลึกไปจนทั่วกายเนี่ยสติก็จะเกิดนับไม่ถ้วนสัมปชัญญะก็จะเกิดนับไม่ถ้วนยืนอยู่นิ่งๆแต่สติระลึกได้ตลอดสัมปชัญญะก็รู้ได้ตลอดสติเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเกิดด้วยอํานาจของวิริยะความรู้สึกเกิดครั้งหนึ่งเกิดด้วยอํานาจของวิริยะเรียกว่าอาตาปีกําลังดําเนินอยู่ความพยายามตามภาคเพียรของเราเนี่ยกําลังดําเนินไปเข้าใจนะตอนนี้อ่าเข้าใจแล้วก็นั่งได้ นวทันไหมนั่งเนี่ยทันหรือเปล่าทันอะนี่เป็นอุบายวิธีที่เราจะฝึกจนต่อไปมาก็จะนำธรรมะที่บรรยายค้างไว้มาบรรยายต่อในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นจริงๆแล้วมีหัวข้อหลายหัวข้อด้วยกัน แต่หยิบยกมาบรรยายแต่เฉพาะประเด็นสำคัญสาคัญเท่านั้นในเรื่องของอนาปานัพปะเราก็มองเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ควบคู่กันไปในอนาปานสติท่านแสดงไว้เป็นอันดับแรกของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานครนี้อนาปานสตินั้นเป็นอารมณ์ของสมถท t เมื่ออนาปานสติเป็นอารมณ์ของสมถะเรากำลังปรารบเรื่องวิปัสนาแล้วมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจริงๆแล้วในมหาสติปฐานนั้นเนี่ยท่านแสดงอนาปานสติไว้สองประเภทบอกว่าเป็นอารมณ์ของสมถะก็ได้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาก็ได้ถ้าเราได้เปิดมหาสติปฐานออกดูเนี่ยเราก็จะพบท่านแสดงไว้แล้วก็กำหนดอย่างไรเป็นสมถะ กำหนดอย่างไรเป็นวิป well ัสนาเนี่ยท่านแสดงไว้ชัดเจนถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ายาวออกยาวลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งหมดลมหายใจเข้าออกที่สงบระงับเป็นอารมณ์ของสมถะคราวนี้ท่านท่านบอกว่าจะกําหนดให้เป็นวิปัสนาก็ได้นะการจะกําหนดให้เป็นวิปัสนาเนี่ยกําหนดอย่างไร ท่านแสดงให้เราได้ทราบว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมีสถานที่ที่ปรากฏคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยเข้าออกทางโพรงจมูกท่านให้เราเอาโพรงจมูกเนี่ยเ ป, เป็นเป็นรูปประทับแล้วก็จิตที่เข้าไปรับรู้เป็นนามธรรมเพราะว่าลมหายใจเข้าก็จะต้องผ่านโพรงจมูกลมหายใจออกก็จะต้องผ่านรโพรงจมูกโพรงจมูกนั้นเป็นเป็นกายชนิดหนึ่งเนี่ย เป็นรูปกำหนดสถานที่ลมหายใจอาศัยเข้าออกเป็นรูปประธรรมจิตที่เข้าไปรับรู้เป็นนามธรรมแล้วก็ยากเกินไปนะมันยากเกินไปสําหรับท่านที่จะใส่ใจในในเรื่องนี้แต่ก็ยกมาให้เห็นว่าให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้อันนี้ที่ที่เรานําเอามาใช้กันเนี่ยนำคิดส ม, มาด้วยกล่าวแล้วเพียงเพื่อปรับจิตปรับจิตของเราเนี่ยให้เกิดความสงบเพียงเล็กน้อยนะ ประจิตของเราสงบเพียงเล็กน้อยแล้วต่อจากนั้นเราก็เอาจิตที่สงบแล้วเพียงเล็กน้อยเนี่ยไปกําหนดปัจจุบั น, นอารมณ์ไปกําหนดกายไปกําหนดความรู้สึกจิตของบุคคลที่มีสมาธิเป็นกําลังพอประมาณสามารถที่จะกําหนดปัจจุบันปัจจุบั น, นอารมณ์ได้สะดวกก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วอยากจะขยายอีกนิดนึงนะว่าการการแสดงเรื่องสติปัฏฐานเนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ได้คำนึงถึงสมถะและวิปัสนาเนี่ยท่านไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนั้นแต่ท่านไปมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตให้จิตมีศักยภาพในด้านความรู้สึกคือต้องการจะพัฒนาจิตเนี่ยให้เกิดความรู้สึกไวความรู้สึกทันต่ออารมณ์ที่มาปรากฏคือจะเนนถึงเรื่องการฝึกจิตให้เกิดความรู้สึกไวเท่านั้น ให้การปรึุกจิตให้เกิดความรู้สึกไวเนี่ยเราอาศัยอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของสมถะก็ได้อาศัยอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ได้ทั้งสองประการในสติปัฏฐานนั้นท่านจะมุ่งประเด็นหลักไปยังสติและสัมปชัญญะเพียงสองประการเท่านั้นว่าอย่างไรก็ได้ให้สติเกิดและสัมปชัญญะเกิดอันนั้นคือผลของการเจริญสติและอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติธรรม ภริจิตเมื่อมีการพัฒนาให้สติเกิดบ่อยๆเกิดสัมปชัญญะความรู้สึกบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะพัฒนาไปสู่ระดับของปัญญาแล้วก็ไปสู่ระดับวิปัสสนาปัญญาปัญญาบาังเกิดขึ้นรู้เท่าทันในสภาพของอารมณ์ที่เกิดดับตามความเป็นจริงก็จะเข้าไปถึงจุดปเปลี่ยนสาคัญตรงนั้นได้ ตอนี้ในการเจริญสติปัฏฐานนั้นจึงแสดงอารมณ์ควบคู่กันไปท่านแสดงทั้งสมถะแล้วก็แสดงทั้งวิปัสนาควบคู่กันไปอย่างในหมวดอนาปานสติที่ท่านแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานนั้นเนี่ยทรงแสดงอารมณ์ของสมถะล้วนๆ ล, ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งหมดลมหายใจเข้าออกที่สงบระงับเป็นเป็นอารมณ์ของสมรรถล้ว น, ลนแล้วก็จุดจุดมุ่งหมายของการเจริญอนาปานสติในอนาปานาบพะเนี่ยพระองค์ก็มีพุทธประสงค์ต้องการที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติไปจนถึงฌานาจิตเกิดเพราะคำว่าลมสงบระงับเนี่ยหมายถึงจิตเข้าถึงความเป็นฌานฌานาจิตเกิดแล้ว นี่พอชานจิตเกิดต่อจากนั้นนะจึงมีการยกระดับจิตขึ้นสู่ปัญญาจึงมีการเจริญวิปัสสนาในทีหลังถ้าพูดถึงอนาปานตตินะอนาปานะบพะเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอารมณ์ที่ท่านแสดงแต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี่ยท่านจะแสดงไม่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นอารมณ์ของสมถะเนี่ยท่านก็จะวางระบบวางระเบียบไว้ ให้เราสังเกตนะในอนาปานัปปะเนี่ยรงทรงแสดงถึงความสาคัญของสถานที่ว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีมีความสาคัญที่จะทําให้ให้จิตของเราเข้าถึงความสงบได้แล้วก็อิริยาบถพระองค์ก็ให้ความสาคัญเกี่ยวกับอิริยาบถ ท, ที่ท่านแสดงไว้นะ่ะว่านิสีทติปันลังกังอุชุงกายังป น, นิทายะ อันนั้นเป็นเรื่องของอิรยาบดน ะ, ะแสดงเกี่ยวกับสถานที่อรัญญะคโตวาลูกขมูรคัโตวาสุญญาคาระกคโตวาบอกว่าสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญอน า, นาปานสตินั้นเนี่ยตาไม้เป็นสถานที่สัปปายะโคนไม้เป็นสถานที่สัปพายะสุญญาคารเรือนรางว่างเปล่าเป็นสถานที่สัพพายะเหมาะ แก่การฝึกจิตทำให้จิตเข้าถึงความสงบเพราะว่าในอนาปานะบพะเนี่ยท่านต้องการให้เราพัฒนาจิตไปสู่ระดับฌานฉะนั้นเมื่อเมื่อการพัฒนาจิตไปสู่ระดับฌานเนี่ยฌานต้องการสถานที่วิเวกที่ท่านแสดงวิเวกไว้สองประการกายะวิเวกจิตตะวิเวกแล้วก็อุปัิวิเวกกายะวิเวกก็คือสถานที่สงบสงัดที่เรามาปฏิบัติเนี่ยือว่าเป็น เป็นวิเวกที่เรามากันเนี่ยสถานที่สงบสงัดพอประมาณไม่มีบุคคลสัญจรไปมาหรือสัญจรไปมาเราก็มองไม่เห็น เ, นเมื่อเช้าเนี่ยเขามีบุคคลสัญจรไปมาเยอะแต่เราอยู่ภายในมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่วิเวกประการหนึ่งเมื่อสถานที่วิเวกเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้จิตของเราเข้าถึงความสงบทําให้จิตต่อวิเวกเกิดขึ้น และต่อจากนั้นระดับของปัญญาจึงเกิดขึ้นตามมาทำให้กิเลสนั้นสงบสงัดไปก็เรียกว่าอุปติวิเวกพระองค์รงทรงสแสดงอารมณ์ที่เรียกว่าอนาปานสติเนี่ยให้ความสําคัญต่อสถานที่ว่าป่าไม้นั้นเป็นสถานที่ที่สงบสงัดโคนไม้เป็นสถานที่ที่สงบสงัดแล้วก็สุญยาคารนะสุญยาคารหมายถึงเลือนลางว่างเปล่า จะเป็นถ้าเป็นซอกเขาเป็นสถานที่เลือนล้างจริงๆนะเป็นกองฟางต่างๆก็จัดเป็นสนยาคารได้หมดเป็นสถานที่ที่เหมาะเหมาะแก่การเจริญอาณาปานสติคราวนี้เมื่อเมื่อได้สถานที่นะที่เหมาะแก่การเจริญสติแล้วท่านก็ปราลบถึงอิริยาบถว่าอิริยาบถ ท, ที่สําคัญในการที่จะทําให้ฌานจิตเกิด ได้แก่อิริยาบถนั่งเพียงอิริยาบถเดียวเท่านั้นท่านบอกว่าอิริยาบถยืนนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นานยาบถเดินจิตก็ไม่ตั้งมั่นอิยาบถนอนเป็นไปเพื่อความหลับเป็นไปเพื่อโกรสัจจะทำให้เกิดความหับไหลเหนั้นอิริยาบถที่เหมาะแก่การเจริญอาณาปานสติก็คืออิริยาบถนั่งพระพุทธเจ้าจึงแสดงอิริยาบถแสดงว่านิสิติปันลังกังอุชุงกายังปณิถายะ นั่งคูบัลลังท่านให้เรานั่งคูบัลลังนั่งคูบัลลังก็คือนั่งขัดสมาธิมองพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั่งนั่งลักษณะไหนเราก็นั่งอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่านั่งนั่งคูบัลลังนะเพราะพอนั่งคูบัลลังแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ทําลําตัวให้ตรงพลําตัวตรงแล้วก็เริ่มดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเพราะว่ า, าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าก็คือเฉพาะลมหายใจเข้าออกท่านเรียกว่าเฉพาะหน้า หายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ายาวมีสติหายใจออกยาวมีสติคือหายใจเข้าก็ให้ระลึกถึงหายใจออกก็ให้ระลึกถึงหายใจเข้ายาวก็ให้ระลึกถึงหายใจออกยาวก็ระลึกถึงหายใจเข้าสั้นก็ระลึกถึงหายใจออกสั้นก็ระลึกถึงต้องการให้เราระลึกถึงลมหายใจเข้าทุกๆุประเภทลมหายใจเข้าทั้งหมดไม่ว่าลมหายใจเข้าลักษณะอย่างไรอย่างไร เรามีหน้าที่ระลึกถึงทั้งหมดลมหายใจออกมีลักษณะอย่างไรอย่างไรก็มีหน้าที่ระลึกถึงทั้งหมดอันนี้เมื่อเมื่อกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะทําให้ระจิตของเราเนี่ยสงบประจิตสงบแล้วต่อจากนั้นจึงมีการพัฒนาจิตไปสู่ระดับปัญญาทีหลังอันนี้เรื่องของอณาปานัสตินะหยิบยกมาให้ท่านทลายเข้าใจเพียงเล็กน้อย ส่วนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นน่ะในหมวดอื่นๆเนี่ยทรงแสดงสติประฐานหมวดอื่นๆที่เป็นไปเพื่อปัญญาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงวางระบบระเบียบไว้พอไปถึงอิริยาบถบัพะอยาบถบัพะการกําหนดกายมุ่งประเด็นไปยังกายและกายที่ปรากฏอยู่ในอิริยาบถหยาบหยาบสี่สถานะได้การอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอน อริยาบถเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดระเบียบไม่ได้จัดระเบียบว่าจะต้องยืนอย่างนี้จะต้องเดินอย่างนี้จะต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็จะต้องนอนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้จัดระเบียบไว้ให้ไปดูในสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีวางระบบระเบียบต่อมาก็มีอัปปะขาจาร์เนี่ยท่านเริ่มมาจัดระเบียบมาจัดระเบียบในการที่จะฝึกจัดระเบียบอย่างไรจัดระเบียบเกี่ยวกับการเดิน เดินก็จะมีระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามระยะที่สี่ระยะที่ห้าระยะที่หกอันนั้นเป็นเป็นการจัดระเบียบโดยอัตถกาถาาจารย์ท่านจัดแต่ในชั้นพุทธพจน์แล้วไม่ไม่ได้จัดระบบระเบียบไว้คือท่านให้เราเดินโดยปกติยืนโดยปกตินั่งโดยปกตินอนก็นอนโดยปกติตรงนี้เนี่ยพระองค์ทรงดารัสไว้ชัดเจน เกี่ยวกับการใช้อิริยาบถโดยปกติที่ท่านแสดงไว้ว่ายะถายาถาวาตนัสสะกาโยปนิหิโตโหติตถ า, าตถาณังปะชาาติเมื่อกายนั้นปรากฏอยู่อย่างไรอย่างไรให้เราใส่ใจกายนั้นนั้นกายที่ปรากฏอยู่นั้นๆสึคือนนี้มุ่งเข้าไปกระทาความรู้สึกกายเป็นเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกไม่ได้ให้ความสำคัญในอิริยาบถไม่เหมือนกับการทำจิตให้สงบของอนาปานบาบพเนี่ยท่านให้ความสำคัญในอิริยาบถว่าจะต้องอยู่ในอิริยาบถนั่งแล้วก็ต้องนั่งตัวตรงแต่พอมาถึงประเด็นที่จะพัฒนาจิตไปสู่ปัญญานั้นเนี่ยมุ่งเอาอิริยาบถ ท, ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจาวัน อิริยาบถที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนที่เราเรามีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเพียงแต่ใส่ใจเพียงแต่ละลึกเพียงแต่รู้สึกในอิริยาบถนั้นๆคือเข้าไปใส่ใจเข้าไปกระทำความรู้สึกเข้าไปละลึกถึงในอากัปกิริยาอาการของกายที่ปรากฏอยู่ในอิริยาบถต่างๆ ทีนี้เกี่ยวกับการฝึกเนี่ยของเราเนี่ยฝึกมามีระบบระเบียบที่เราฝึกมาตามครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกให้เรามาเนี่ยตามแนวของกรรมฐานที่ท่านประยุกต์นะประยุกต์เพื่อต้องการที่จะนําเอามาใช้ให้ง่ายที่สุดนะเพราะว่าการกําหนดกายกําหนดความรู้สึกเนี่ยกําหนดยากใจของเราไม่ค่อยคุ้นเคยครูบาอาจารย์ก็หาอุบายวิธีว่าทําอย่างไรเข้าใจได้ง่ายเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เริ่มมีการฝึกระบบระเบียบให้เรา มีการเดินมีการบริกรรมแล้วก็เน้นในการเดินช้าๆนะเดินช้าๆจริงๆเดินถ้าเดินเร็วเนี่ยท่านไม่ได้ปราลบถึงนะในในชั้นของพระบาลีเนี่ยไม่ได้ปราลบถึงว่าจะต้องเดินช้าๆหรือเดินเร็วๆท่านท่านไม่ได้บอกไว้แต่เพียงแต่ให้เราใช้อิริยาบถโดยธรรมชาติอิริยาบถธรรมชาติก็คือเดินโดยธรรมชาติยืนโดยธรรมชาตินั่งโดยธรรมชาติ อิริยาบถโดยปกปติในสถานะใดควรใช้อิริยาบถช้าก็ช้าโดยปกปติในสถานะไรควรใช้อิริยาบถเร็วๆก็เร็วโดยปกปติโดยไม่ขัดกันท่านท่านเน้นอย่างนี้คลิปของเราเนี่ยผ่านการฝึกโดยอาการกําหนดช้าๆพเราไปกําหนดช้าๆแล้วเราก็เกิดความเข้าใจว่ า, าการปฏิบัติต้องช้าตลอด ต้องมีการเดินช้าๆยืนช้าๆนั่งช้าๆยกมือช้าๆก้มกราบช้าๆทำอะไรก็เชื่องช้าไปหมดเลยทำให้บุคคลบางท่านเกิดความรู้สึกสำคัญไว้ติดๆว่าการปฏิบัตินั้นต้องช้าจึงจะได้ผลทวนี้จะจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าช้าได้ผลหรือเร็วได้ผลเนี่ย จริงๆแล้วให้เราเข้าใจนะว่าถ้าเราใส่ใจอิริยาบถได้สะดวกสบายเนี่ยถ้าช้าแล้วท่านใส่ใจสะดวกสบายท่านก็ช้าไปแต่ถ้าช้าแล้วมันเกิดอาการอึดอัดท่านก็ปรับสักนิดหนึ่งการใช้อิริยาบถเนี่ยนะการบางทีเนี่ยเราจะยกมือขึ้นเนี่ยมันช้าเกินไปเนี่ยใจของคนเราเนี่ยมันไวมันจะต้องคืออิริยาบถที่ผิดปกติเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะต้องทํางานสองหน้าที่ ทำงานสองหน้าที่อย่างไรอ่ะทํางานบังคับวิริยบทอย่างหนึ่งหนึ่งหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับการกําหนดรู้อีกอีกหน้าที่หนึ่งให้การใช้จิตกระทางานสองหน้าที่เนี่ยจิตที่ไปกระทํางานหลายอย่างเนี่ยจิตก็จะไม่ชัดเจน <c oughs> ไม่ชัดเจนในการกําหนดถ้าเราปริอยยาบทให้เขาเป็นไปโดยปกปติของเขาและเพียงแต่เราตามรู้เขา ตามรู้ตามรู้มีหน้าที่ตามรู้อย่างเดียวพอไอการเจริญสติมันก็จะลื่นไหลค่ะเนี่ยลื่นไหลสะดวกสบายขันมาใหม่ๆบางทีเงื่อนเงื่อนเงื่อนเงือเง่อไหลโชคเลยก็มีเคยเคยเกิดขึ้นไหมบางทีก็เกรงก็จนมึนงงเลยก็มีนั่นแหละเป็นการบังคับอิริยาบถเราบังคับอิริยาบถเราไม่ได้ปล่อยอิริยาบถให้เป็นไปโดยปกติคราวนี้การใช้อิริยาบถ ก็อยากจะให้ใช้อริยาบทตกคือเดินแล้วอย่างไรเราสามารถกำหนดได้ง่ายจิตอยู่กับอากับกิริยาอาการได้ง่ายให้เลือกเอาเอาอริยาบทในระดับนั้นนะจะเร็วกว็ได้หรือจะช้าก็าได้แต่อย่าบังคับนะอย่าปืนอย่าเกรงเราอย่าเกรงบางทีเราเกรงนะเวลาจะเดินเนี่ยเดินไปใหม่เนี่ยสังเกตนะ ขาเราก็ยืนบางทีก็ขาสันด้วยนะยกข้างหนึ่งเนี่ยขาข้างหนึ่งสั่นและสัน่นปลปกๆมาแล้วเราก็เกรงแล้วค่อยๆยกขึ้นเนี่ยอาจจะไปได้แต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยจิตมันไปคอยบังคับอยู่ตรงนั้นเนี่ยด้จิตจะไปรู้อาการก็เลยไม่ไม่ชัดเจนแต่ในในการกำหนดอุญญาบทเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นเน้นให้เราเนี่ยกระทำความรู้สึกให้มากคือเน้นไปที่ความรู้สึกเป็นประเด็นสาคัญ ว่าอย่างไรความรู้สึกของเราเนี่ยจึงจะเกิดได้สะดวกสบายแต่พารู้สึกทันอากับกริยาอาการทุกอา ก, ก, ร า, การอาการเนี่ยท่านให้เรากําหนดทุกอาการนะไม่ใช่กําหนดเพียงแค่หกอาการแล้วก็ขบวนการที่เราฝึกมาเนี่ยกําหนดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยในในศี่ระยะบทเนี่ยการกําหนดอิริยาบทแต่ลริยาบท ได้ทันสะดวกสบายนั้นเนี่ยมีประเด็นส wow ําคัญอยู่ประเด็นสําคัญที <zh> ่ตรงไหนก็คือจุดเริ่มต้นของอิริยาบถและจุดจบของอิริยาบถคือผู้ปฏิบัติเนี่ยควรเข้าใจจุดเริ่มต้นของอิริยาบถก่อนแล้วก็จุดจบของอิริยาบถวิยาบทนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่จบลงเมื่อไหร่อย่างจะยืนเนี่ยการยืนเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็ยืนจะไปจบลงเมื่อไหร่ การเดินเดินนั้นเริ่มต้นเมื่อไหรจบลงเมื่อไหรการนั่งเนี่ยนั่งเริ่มต้นเมื่อไร่แล้วก็จะจบอริยามบทนั่งเมื่อไหร่ถ้าเราเข้าใจจุดเบื้องต้นและจุดจบเราจะสามารถกําหนดอนิยาบทได้ไม่ยากจนเกินไปเพือจะกําหนดได้สะดวกสบายดังที่เราได้กล่าวไปบ้างแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าใจเราอยู่กับตัวเองตลอดเนี่ย ไม่จำเป็นนะไม่จาเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นจุดจบวะไงไม่จำเป็นนะเพราะวา่าใจอยู่กับกายตลอดกายจะเป็นไปอย่างไรอย่างไรเราก็รู้กายนั้นๆมันก็ก็จบนะท่าในในี้เองก็จบแต่ว่าในในช่วงที่เรามาฝึกกันเนี่ยฝึกใหม่ๆใจยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกายใจยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับความรู้สึกเนี่ยคือของเราในขณะนี้เนี่ยเป็นเป็นการฝึกจิตให้เกิดความคุ้นเคยก่อน ว่าจิตที่เขาไม่คุ้นเคยต่อการรับรู้นะรับรู้กายที่กำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังนอนอยู่จิตของเราไม่ไม่คุ้นเคยเรามาฝึกจิตของเราให้เกิดความคุ้นเคยต่อการรับรู้กายที่ปรากฏอยู่ในอิริยาบถแต่ละอิริยาบถคนนี้เมื่อใจยังไม่คุ้นเคยเนี่ยจึงจำเป็นที่ จะต้องมีการใส่ใจในจุดเริ่มต้นแล้วก็มองให้เห็นในจุดจบมีการกระ ท, ทําความเพียรภารบระลึกและรู้สึกอยู่ใจจึงอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเราเผลอเวลาใดใจก็ออกจากตัวเวลานั้นใจของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยยังยังไม่คุ้นเคยเนี่ยคือยังไม่ไม่อยู่กับกายโดยอัตโนมัติเราก็ต้องมีมีจุดเริ่มต้น อย่างจุดเริ่มต้นของของการยืนเนี่ยถามว่ายืนเนี่ยนะจริงๆแล้วในในสติปัฏฐานเนี่ยท่านจะถามเราชัดเจนเลยว่ายืนถาว่ายืนเนี่ยท่านจะถามว่าใครยืนมีการถามแบบนี้นียืนะใครยืนแล้วเป็นอาการยืนของใครท่านจะถามแบบนี้ยืนได้เพราะอะไรไอ้คําว่าใครในที่นี้เนี่ยเป็นการถามว่ายืนเนี่ยไอ้ที่ยืนเนี่ยได้แก่อะไรนั่นเองไอ้ที่ยืนอยู่ได้แก่อะไร แล้วจะเป็นการถามย้ำลงไปให้เกิดความมั่นใจว่าอะไรกันแน่ที่ยืนอยู่คือคล้ายๆจะถามว่าที่ยืนเนี่ยได้เกอะไรยังไม่มั่นใจก็เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรแน่ที่ยืนเนี่ยอาการยืนของใครก็คืออะไรแน่ที่ยืนอยู่เป็นการย้ำแบบนี้แล้วก็ยืนได้อย่างไรทำไมจึงยืนขึ้นได้ท่านต้องการให้เราเข้าใจทำไมท่านจึงต้องถามที่ท่านถามเราเนี่ยท่านมีเหตุผลท่านมีเหตุผลของท่าน เพราะว่าการกำหนดกายเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะกำหนดกาหนดกายไม่หมดกำหนดกายแล้วยังมีส่วนเหลืออยู่ส่วนหลงเหลืออยู่พรอถามเสร็จเนี่ยท่านท่านตอบเองนะท่านไม่ให้เราตอบอะ่ะท่านกลัวเราตอบผิดท่านรู้ว่าปล่อยให้เราตอบเนี่ยผิดแน่อนอนเลย <c oughs> งั้นท่านก็ชิงตอบเองถามเสร็จแล้วท่านก็ตอบท่านตอบอย่างไรอะ่ะ ถ้าเราตอบเราจะตอบเหมือนกับท่านไหมลองไหมลองตอบไหมถามว่ายืนเน่ยใครยืนถ้าถ้าตอบเนี่ยเราเราจะตอบว่าว่าใครยืนนะคราวนี้ใครอ่ะใครใครเป็นผู้ยืนน่ะเวลายืนเนี่ยใครใครยืนตอบได้ไหมเราจะตอบตอบเหมือนกับท่านตอบไหมตอบเหมือนกันไหมเวลายืนเนี่ยถามว่าใครยืนเราตอบเนี่ยเราก็ตอบว่าเรายืนใช่หรือเปล่า เราอะยืนจะใครก็ตัวเรายืนอยู่คือไอถามว่าใครยืนเนี่ยหมายถึงว่ายืนแล้วก็อะไรยืนถามว่ายืนอยู่เนี่ยใครยืนอะไรยืนถามแบบนี้ยืนด้วยอะไรคล้ายๆจะถามว่ายืนด้วยอะไรพอถามว่ายืนด้วยอะไรเนี่ยเราตอบเนี่ยคงจะไม่ตรงกับท่านน่ะพอเรายืนด้วยอะไรเราเนี่ยเรายืนเนี่ยเฮ้ยเรายืนด้วยเท้าใช่ไหมยืนด้วยเท้า แต่รุ่ยเจ้าท่านไม่ตอบว่ายืนน้วเท้าไม่ได้ใช้เท้ายืนแต่ถามว่าใครยืนเนี่ยเราก็ตอบว่าเรายืนแต่ท่านไม่ได้ตอบว่าเรายืนเวลายืนเนี่ยท่านบอกว่ากายยืนย่างเี้ยกายยืนยืนด้วยอะไรอาการยืนของใครเนี่ยก็คือยืนด้วยอะไรอะไรเป็นผู้ยืนแน่คล้ายๆจะถามแบบนั้นเราก็บอกขายืนนะเ่ใช่หขายืนแต่ท่านไม่เอาขายืนเหมือนเรานะ พระพุทธเจ้าท่านตอบว่ากายยืนเป็นอาการยืนของกายท่านจะย้ำลงไปแบบนี้ว่าเป็นอาการของกายท่านั้นเองอาการของกายที่ยืนขึ้นแล้วก็ยืนได้ด้วยอะไรหรือยืนได้อย่างไรเนี่ยเวลายืนเนี่ยขบวนการยืนเนี่ยยืนได้เพราะจิตคิดก่อนจิตคิดว่าจะยืน จิตของคนเราเนี่ยมีอานุภาพคิดอย่างไรกายก็จะเป็นอย่างนั้นจิตคิดว่าจะยืนกายก็ยืนจิตคิดว่าจะเดินกายก็เดินจิตคิดว่าจะนั่งกายก็นั่งจิตคิดจะนอนกายก็นอนทำไมกายจึงเป็นไปตามจิตกายนั้นท่านเรียกว่ารูปปรธรรมในในรูปปรมัตนะท่านท่านแสดงไว้นะ่ะ รูปที่เป็นไปตามอํานาจของจิตท่านเรียกว่าจิตตะชลูกรูปที่เป็นไปตามตามจิตคิดเป็นจิตตะชรูปรูปพวกนี้เกิดจากจิตนะจิตคิดอย่างไรรูปก็จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นบอกว่าพอจิตคิดจะยืนรูปที่เกิดจากจิตได้แก่วาโยธาตก็มีการผลักดันกายให้กายนั้นยืนขึ้น นั่นเป็นขบวนการคราวนี้มาดูต่อไปอ่ะทำไมท่านท่านไม่ตอบว่าเรายือนอาการยืนของเราทําไมท่านไม่ตอบแบบนี้ท่านตอบว่ากายท่านไม่ใช้คําว่าเท้ายืนยืนด้วยเท้าท่านมีเหตุผลถ้าไปบอกว่ายืนด้วยเท้าเท้าเป็นผู้ยืนเนี่ยการกําหนดเราจะกําหนดแต่เฉพาะตรงเท้าเท่านั้นนี่เราจะกําหนดไม่หมดคราวนี้พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่ากาย แล้วเราก็ตามไปดูคําว่ากายของท่านคืออะไรต่อทีนี้พอเราตามไปดูนะไอ้คําว่ากายที่พระบริดาเจ้ า, ท, าท่านทรงแสดงเนี่ยอัตถกถาท่านก็นํามาขยายแต่คาว่ากายในที่นี้หมายถึงการประชุมรวมกันของอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดตั้งแต่เบื้องบนกายเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าจดปลายผม กายเบื้องล่างนับตั้งแต่ปลายผมจดปลายเท้าอันนั้นเรียกว่ากายของท่านคือท่านต้องการให้เรากําหนดกายเนี่ยกาหนดทั้งหมดไม่ใช่กําหนดส่วนใดส่วนหนึ่งทีนี้เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะกําหนดกายเพียงส่วนเดียวกําหนดแต่เฉพาะที่เท้าเดินด้วยเท้าก็กําหนดเท้ายืนด้วยเท้ากําหนดเท้านะพอกําหนดเท้าก็กําหนดได้ไม่หมด ถ้าเราเข้าใจคำว่ากายของท่านเนี่ยคือรูปร่างกายทั้งหมดส่วนใดก็ได้ที่ปรากฏส่วนนั้นสติต้องระลึกต้องเข้าไปกระทาความรู้สึกคือสติเนี่ยจะต้องเข้าไประลึกถึงจะต้องเข้าไปกระทาความรู้สึกอย่างเรายืนเนี่ยเรากำหนดกันตอนไหนที่เราเคยเคยฝึกมาเนี่ยฮะ เ, เริ่มกำหนดกันตอนไหนเชื่อไหมบางครั้งเนี่ยเรายืน ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจึงค่อยย้อนกลับมากําหนดแล้วเราก็บริกรรมนะว่ายืนหนอยือนหนอ่อยืนตั้งนานแล้วนะยืนไปตั้งนานแล้วแล้วมากําหนดทีหลังถามว่าจะทันไหมปัจจุบันแบบนี้ไม่ทันไม่ทันปัจจุบันคราวนี้ถ้าเราเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นที่ไหนจุดเริ่มต้นของกายยืนเนี่ยจุดเริ่มต้นของท่านเนี่ย จิต ค, ค, คิดยืนจบจิดคิดว่าจะยืนจบลงเวลาใดกายที่ปรากฏอยู่ในท่าเก่ามีการเปลี่ยนไปขณะนั้นคือขบวนการยืนของกายได้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วพอจิ ค, คิดยืนจบลงนะแล้วกายส่วนใดส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนไปลักษณะอาการเปลี่ยนไปของกายส่วนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกายยืน ถ้าไม่มีส่วนนั้นกายยืนไม่ได้นะถ้าไม่มีอาการนั้นเป็นอาการแรกกายก็จะอยู่ในที่เก่าดังนั้นท่านให้เราเริ่มกําหนดตรงนี้ถ้าไปกําหนดเท้าเอ๊ะนี่ไม่ใช่เท้าเนี่ยเห็นไหมพอคิดว่าจะยืนอ่ะขยับมืออะไรเงี้ยเอ๊ะนี่ไม่ใช่เท้ายังไม่ต้องกําหนดแล้วเลยปล่อยทิ้งไปแต่ถ้าบอกว่ากายกระบวนการของกายทั้งหมดเนี่ยพอจิตคิดจะยืนขยับมือก็คือกายขยับมืออีกข้างหนึ่งก็คือกาย ยืนในลักษณะยืนนี้ยืนไม่ได้อ่เอามือเอื้อมไปขยับสิ่งของอันนี้ก็คือกายแล้วก้มไปข้างหน้าก็คือกายยันกายขึ้นก็คือกายทั้งโยกหน้าโยกหลังทั้งมีการยันการอะไรต่างๆที่ทําให้กายของเราพยุงตัวขึ้นได้เนี่ยขบวนการทั้งหมดทุกๆอากับกิริยาการนั่นเป็นขบวนการของกายยืนทั้งหมด นั่นท่านต้องการให้เรารู้อาการปริยาการของกายโดยละเอียดถ้าเราสามารถตามระลึกได้ทุกอาการิริย า, าการแสดงว่าเราทันปัจจุบันปัจจุบันของกายได้ทั้งหมดยิ่งสติทันอาการได้ทุกอาการเนี่ยจิตจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสส่งออกไปข้างนอก จะเป็นตัวปิดกั้นจิตไม่ให้จิตรละลึกถึงอดีตรละลึกถึงอนาคตขณะที่จิตอยู่กับปัจจุบันของอาการกายเนี่ยจิตจะไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องในอดีตจิตไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องในอนาคตเมื่อจิตอยู่กับกายที่กำลังปรากฏอยู่ชื่อว่าพรากจิตออกจากอดีตอนาคตได้สาเร็จพรากจิตออกจากบุคคลอื่นได้สาเร็จ แล้วทุกทางใจจะเกิดไหมแบบนี้ทุกทางใจจะไม่มีโอกาสเกิดแบบนี้เรียกว่าไม่หลงนะไม่หลงไม่หลงในอากัปกิริยาอาการแต่ถ้าเราเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็กายของเราเปลี่ยนอาการไปตั้งเยอะแยะไปหมดเราไม่ได้ตามดูเลยเมื่อไม่ได้ตามดูเราก็หลงหลงไม่ทันปัจจุบันฉนั้นท่านต้องการให้เราเนี่ยกําหนดกําหนดให้ทันตรงนี้ ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งและนอนผจิตคิดคิดจะยืนถามว่ากายยืนเนี่ยมาจากอิริยาบถไหนกายของเราจะยืนเนี่ยกายได้เปลี่ยนมาจากอิริยาบถอะไรมาจากอิริยาบถกี่อิริยาบถสามอิริยาบถสามหรือสองหรือหนึ่งนั่งแล้วยืนได้เดินแล้วกว็ยืนได้ใช่นไหมนอนแล้วยืนได้ไหมนอนแล้วยืนไม่ได้ทำไมยืนไม่ได้ นี่แหละภาษาของเรากับภาษาธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกันภาษาของเราเนี่ยถ้านอนแล้วจะต้องนั่งก่อนแล้วยืนแต่ภาษาธรรมะนี่จะไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีนั่งถือว่าจิตคิดยืนในขณะนอนเนี่ยการเคลื่อนมือนิดหนึ่งเป็นขบวนการเริ่มต้นของกายยืนแล้วถ้าไม่มีการเคลื่อนตรงนั้นยืนไม่สาเร็จท่านับว่าเริ่มต้นจากอะไร เอาจิตเป็นผู้คิดและการขับเคลื่อนกายส่วนไหนก่อนถะนับตรงนี้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยนาะนั่งอยู่ก็ยืนได้เดินอยู่ก็ยืนได้นอนอยู่ก็ยืนได้ดูจิตเป็นใหญ่ถ้าไม่ได้นับมาเป็นนั่งนะเพราะจิตคิดจะนั่งไม่มีจิตคิดจะยืนเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ไหวแล้วตอนนี้ปวดขาเหลือเกินแต่เดินสักนิดหนึ่งก็คงจะดีคิดเดินเราไม่ได้คิดยืนละ คือนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะไปห้องน้ําสักหน่อยหนึ่งจะไปห้องน้ำเนี่ยยืนไปหรือเดินไปอะ่ะเดินไปถามว่าคิดเดินหรือคิดยืนอะ่ะคิดเดินไม่ได้คิดยืนเฉะนั้นเมื่อคิดเดินเนี่ยกระบวนการของกายที่ยืนขึ้นเล็กน้อยเนี่ยท่านได้รับเป็นอิริยาบถยืนท่านนับเป็นกระบวนการเดินทั้งหมดและเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เหมือนกันนะเราเดินไปสุดแล้วเราก็ยืนสักพักหนึ่ง ยืนสักพักหนึ่งแล้วก็บิดตัวกลับบิดตัวกลับแล้วเราก็ยืนอีกพักหนึ่งยืนอีกพักหนึ่งแล้วเราก็เดินไปเนี่ยจริงๆแล้วในสติปัฏฐานไม่ไม่ไม่ไม่เอาถึงขนาดนั้นสติปัฏฐานเนี่ยนับเป็นอิริยาบถเดินหมดเดินไปจนสุดทางแล้วหยุดยืนอยู่ก็นับเป็นอิริยาบถเดินบิดตัวกลับก็เป็นขบวนการของเดินแล้วก็ยืนเล็กน้อยก็เป็นขบวนการของเดิน เดินไปจนสุดก็เป็นขบวนการนนะนับเป็นอิริยาบถเดินหมดตราบใดที่จิตยังไม่ได้คิดจะนั่งหรือยังไม่ได้คิดจะนอนยังไม่ได้คิดจะหยุดยืนนับเป็นอิริยาบถเดินหมดอิริยาบถเล็กๆน้อยๆอยที่จะต้องเปลี่ยนไปสู่ท่านั้นท่านี้ท่านท่านไม่ได้นับในอิริยาบถใหญ่แต่ของเรานี่ก็ใส่เข้าไปกันเยอะแยะไปหมดนะใส่ไปเยอะแยะ แล้วก็บางทีทําไปแล้วมันข้านความรู้สึกนะบอกว่าอยากยืนหนอใจจริงๆไม่ได้อยากยืนเลยอยากจะนั่งต่อทําไมต้องบอกว่าอยากยืนหนอก็อาจารย์ใช้ให้ยืนก็เลยอยากยืนหนอบทแต่ไอฟ้ฟองรู้สึกก็ะคานไม่ได้ยืนอยากจะนั่งต่อไม่ได้อยากยึดจะยืนเลยแต่เราก็ต้องทํากันไปเอ๊ะอะไรกันแน่นะอะไรกันแน่เออ จริงๆเนี่ยท่านเอาความรู้สึกของตอนเองเนี่ยเป็นใหญ่ว่าต้องการจะทำอะไรอะไรว่าจิตเนี่ยเขาคิดอะไรอ่ะคิดจะยืนคิดจะเดินคิดจะนั่งหรือคิดจะนอนพอจิตคิดจบให้ดูกายในท่าเก่าเนี่ยนั่งอยู่แบบนี้พอคิดว่าจะยืนพอคิดยืนจบเอาจิตมาดูกายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่เนี่ยกายที่ปรากฏอยู่ในท่าเก่าทั้งหมดแล้วเรา ก็ดูว่ากายเวลายืนเนี่ยกายส่วนไหนเขาขยับก่อนส่วนไหนขยับก่อนดูส่วนนั้นส่วนไหนขยับอันดับสองก็ดูตามไปขยับอันดับสามก็ดูตามไปขยับอันดับสี่ก็ดูตามไปอันดับ5้าอันดับหกอันดับเจ็ดอันดับแปดอันดับเก้าอันดับสิบตามไปทุกลำดับเลยแบบนี้เรียกว่าทันปัจจุบันของเราทันต้องได้แบบนี้ วานให้เริ่มทดลองกันบ้างถามว่าทันทันบ้างไหมแบบนี้ได้ได้เริ่มบ้างหรือยังนั่นเป็นขบวนการของยืนหนอทั้งหมดใครเข้าใจนะพอคิดว่าจะยืนขยับมือเนี่ยยืนหนอแล้วนะยืนหนอนั่นคือยืนหนอแล้วเพราะขบวนการยืนเริ่มต้นตรงนั้นแต่ของเราใส่คําบริกรรมเยอะแยะไปหมดเรายังไม่มีกระบวนการยืนตรงนั้นเลยพอขยับมือนิดหนึ่งไปหนอวางหนอ ก้มหนอเงยหนออะไรนักเยอะแยะไปหมดเลยนะ่ะแต่สติปัฏฐานนั้นหมายถึงการยืนหนอะแหละขยับกายนิดหนึ่งคือยืนหนอะก้มลงไปนิดก็ยืนหนอมืออีกข้างหนึ่งขยับไปก็ยืนหนอขยับเท้าก็ยืนหนอเป็นขบวนการยืนทั้งหมดให้เราเข้าใจขบวนการของกายที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปสู่อิหยาบนยืนเป็นเรื่องของกายยืน ล, ลองสิลองดูหน่อยสิ ไม่ลองไม่รู้ะนะลองลองยืนดูสิจะต้องมีจิตคิดจะยืนถ้าจิตไม่คิดยืนจะนั่งอยู่อย่างนี้ตลอดถึงอาจารย์บอกถ้าเราไม่อยากจะยืเนเราก็ไม่ยืน่ะไหนลองย <cualquier S 1> ืนสิยืนแล้วดูอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่รู้รู้รู้เท่านั้นเองเพียงแต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกระลึกถึงกระลึกถึงกระลึกถึ ง, ลลถงไม่ต้องไปบอกเขาคืออะไร <Channel S 1> บางทีเราไม่รู้อาการนี้เขาเรียกอะไรด้วยความตายแต่เรารู้อาการนั้นทันไหมทันไหมทันหรือเปล่าทันทันทุกอาการไหม ทำไมก็จะยืนด้วยนะทําไมจะยืนนะเพราะมันปวดเท้าไม่ไม่ค่อยดีมันยกไม่ได้เนี่ยต้องกําหนดกําหนดทั้งหมดยืนยืนเสร็จแล้วหรือยังยืนยืนยืนเสร็จแล้วหรือยังปัจจุบันนี้เสร็จไหมเสร็จแล้วแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อ่าไหนบอกว่ายืนเสร็จแล้วนี่แหละเราคิดไม่ถึงคิดไปจบแล้วยืนยังไม่จบนะเนี่ยนี่คือกําลังยืนกําลังยืนอยู่ ยืนยังไม่จบยืนยังไม่เสร็จมองเห็นไหมว่าเริ่มยืนตั้งแต่เมื่อไหร่อะถ้ า, ายสมัยก่อนเราไม่เข้าใจนะว่าสติปัฏฐานท่านแสดงอย่างไรเนี่ยเรายืนมาขณะนี้นะนะเนี่ยไพ่นะเบื้องต้นเนี่ยบางทีเราปล่อยทิ้งเลยนะอาการต่างๆที่โยกไปทางหน้าเราปล่อยทิ้งไม่กําหนดขยับก็ปล่อยทิ้งลุกขึ้นยืนก็ปล่อยทิ้งไม่กําหนดพอยืนเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราจึงค่อยๆน้อมจิตมาดูกายแ ล, ล้วบุรีกรรมว่ายืนหนอยืนเนาะ ทันไหมแบบนี้ทันไหมแบบนี้เรียกว่าไม่ทันแหละยืนหนอได้ยังไงก็ยืนมาตั้งนานแล้วเราหาเบื้องต้นไม่เจอนั่นเอง เ, เราเลยทิ้งปัจจุบันของกายเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราทิ้งไปหมดเลยแต่ครั้นี้เนี่ยเรามาเสริมตรงเนี้ยเสริมช่องว่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไปดีแล้วนะเรากําหนดได้ขนาดนั้นก็ถือว่าดีแล้ว แต่มันมีช่องว่างอยู่อยากจะให้กําหนดช่องว่างทั้งหมดขนในขณะที่เรายืนอยู่ดังที่ได้เคยบอกแล้วว่าขณะยืนอยู่เนี่ยจิตคิดยืนการยืนจึงนับเป็นอิริยาบถใหญ่ในขณะยืนอยู่กายของเรายืนนิ่งหรือเปล่ากายยืนไม่นิ่งมีการขยับมือขยับเท้ามีการเหลี่ยวการแลการก้มการเงย การโน้มไปข้างหน้าการโน้มตัวกลับมาเป็นอาการของอิริยาบดย่อยทั้งหมดอิริยาบดเล็กน้อยตรงนี้ต้องใส่ใจด้วยถ้ามีอิริยาบทย่อยเราก็ทิ้งอิริยาบทใหญ่กำหนดรูอิริยาบทย่อยถ้าไม่มีอิริยาบทย่อยในนั้นเราก็กำหนดกายยืนอยู่ คนี้กายยืนต ร, ตรงๆยืนนิ่งๆเราจะกำหนดตรงไหนกำหนดตรงไหนอของกายจะกำหนดตรงไหนเมื่อกายยือนอยู่เวลาใดให้กำหนดรู้กายที่กำลังยือนอยู่เวลานั้นท่านนแล้วกายยืนเนี่ยเรานับตรงไหนยืนนะครู่นี้บอกว่าอะไรยืนเนเท้ายืนเนี่ยถ้านบอกว่าเท้ายืนเนี่ยเราจะกำหนดเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบอกว่ากายยืนก็คือกายทั้งหมดกำหนดตรงไหนก็ได้ กำหนดคราวเดียวเป็นไปได้ไหมกำหนดหมดเลยกำหนดให้หมดเลยคราวเดียวได้ไหมใจของเราสามารถจะรู้กายครั้งเดียวหมดทั้งกายเนี่ยถามว่ารู้ได้ไหมรู้ไม่ได้กายเนี่ยจะมีกายเบื้องบนกายท่ามกลางกายเบื้องล่างลองกำหนดตามดูนะถ้าเราละลึกถึงกายเบื้องบนเนี่ยถามว่าจิตได้รู้กายเบื้องล่างไหมขณะนั้นรู้กายท่ามกลางไหมไม่รู้ขณะละลึกถึงกายเบื้องบนจิตก็รู้กายเบื้องบน ขณะละลึกถึงกายท่ามกลางจิตก็ระลึกถึงรู้กายท่ามกลางขณะระลึกถึงกายเบื้องล่างจิตก็รู้กายเบื้องล่างและจิตของเราเนี่ยขณะยืนนิ่งๆสามารถที่จะจะทําความเพียรได้คําว่าเพียรเนี่ยหมายถึงเพียรละลึกเพียรรู้สึกท่านให้เราเพียรละลึกถึงกายอันเนี้ยกายที่ยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืดฟางหนึ่งศอกละลึกไปในส่วนต่างๆของกาย ระ ล, ลึกไปในอากาศกิริยาต่างอาการต่างๆของกายนี้ให้เราระลึกกายยืนนิ่งนิ่งแต่ใจไม่หยุดนิ่งใจของเราจะต้องขับเคลื่อนใจขับเคลื่อนไปครั้งหนึ่งเคลื่อนด้วยอํานาจของวิรยิยะแสดงว่าวิริยะเกิดขึ้นแล้วอาตาปีได้ทําหน้าที่แล้วเมื่อวิริยะเกิดขึ้นอาตาปีเกิดขึ้นขณะนั้นสติมาสติได้ทําการระ ล, ลึกแล้วสัมปชาญโน สัมปะชัญญะเข้าไปรู้สึกแล้วขณะขับเคลื่อนจิตกระบวนการของจิตไปในส่วนต่างๆของกายเนี่ยวิริยะคืออาตาปีทาหน้าที่สติมาการละลึกทำหน้าที่สัมปชาโนความรู้สึกได้กระทาหน้าที่สิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็คืออาตาปีสติมาสัมปชาโนสามประการคือต้องการให้สิ่งสามสิ่งเนี่ยเกิดเพราะถ้ามีอาตาปีมีความพยายาม มีการละลึกและมีการรู้สึกเนี่ยจิตก็จะถูกพัฒนาทำให้ละลึกได้ไวทำให้พยายามได้ไวละลึกได้ไวรู้สึกได้ไวต่อไปเราจะทันอาการทั้งหมดนะไม่ม่เราจะหลงหลงอาการแต่ต่อไปเนี่ยกายเขาจะไปอย่างไรเรารู้หมดเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะรับรู้แต่ใจก็ไปรู้โดยอัตโนมัติเมื่อจิตเขาชำนาญแล้ว เราก็จะสามารถรู้กายทั้งหมดกายนิ่งอยู่ก็ให้กายเคลื่อนรับรู้กายในส่วนต่างๆอย่าไปเข้าใจว่าดูกายเบื้องบนให้จดให้จบเบื้องล่างดูกายเบื้องล่างแล้วอาไปจบเบื้องบน่ะเพียงแต่ท่านบอกว่านับกายเบื้องบนนับตั้งแต่ปลายเท้าจดปลายผมนับกายเบื้องล่างนับตั้งแต่ปลายผมจดปลายเท้าแต่เราเข้าไปดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่จําเป็นต้องดูให้จบไปดู ให้ชำนาญส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจิตก็จะค่อยๆขยายไปในส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้ขยายไปจนกระทั่งรู้ทั้งหมดแล้วก็รู้กลับไปกลับมาวนเวียนไปมาไอการรู้กลับไปกลับมาวนเวียนไปมาเนี่ยเพื่อเป็นการให้จิตของเราได้ขับเคลื่อนตลอดเพื่อเป็นการให้อาตาปีกระทำหน้าที่เพียรอยู่ตลอดเพื่อเป็นการให้สติมาละลึกถึงอยู่ตลอด เพื่อเป็นการให้สำปะชาโนเนี่ยรู้สึกตัวโทวพร้อมอยู่ตลอดต้องต้องการเท่านี้เองในการเข้า แ, ลลแต่ลลึกแต่ละครั้งแต่และครั้งอ่ะคราวนี้พอยืนแล้วเนี่ยถ้าเรายืนพอประมาณเนี่ยจิตจะคิดนั่งหรือจะคิดเดินนะคราวนี้ถ้าจิตของเราคิดจะเดินคิดเดินแล้วหรือยังถ้าจิตคิดเดินเวลาใดหมายถึงขบวนการยืนจบลงเวลานั้นถ้ายังไม่ได้คิดไปสู่อิทิยาบทอื่นนะ ยังไม่ได้คิดไปสู่อริยาบทเดินยังไม่ได้คิดไปสู่อริยาบทนั่งขบวนการยืนจิตที่ปรารถนายืนยังมีอยู่แล้วการยืนยังปรากฏอยู่แต่ถ้าจิตคิดจะเดินเสลาใดชื่อว่าขบวนการยืนจบลงในเวลานั่นคือจุดจบของกายยืนถ้ายังไม่ได้คิดไปสู่อริยาบทอื่นกายยืนก็ยังไม่หมดถ้าคิดไปสู่อริยาบทอื่นการยืนก็หมด ลองดูหน่ว่าสมัยก่อนเราเดินด้วยเท้าใช่ไหมเราก็กําหนดที่เท้าอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เท้าเดินใช่ไหพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากายเดินแล้วก็กายทั้งหมดเนี่ยเดินเอาไปดูนะถ้าเท้าเดินเราก็จ้องเท้าอย่างเดียวจ้องเท้าเท้ายกขึ้นลู่เคลื่อนไปลู่หย่อนลงลู่ถ้าเราเข้าใจตามที่ท่านบอกว่าเดินคือกายเดินเนี่ยเรามาดูเรายืนตรงก่อนพอคิตคิดจะเดินเนี่ย เราจะยกเท้าข้างไหนอ่ะยกเท้าข้างหนึ่งยกข้างฝาขณะเรายกเท้าข้างข้างนึงเนี่ยกายเองเราจะเอียงวูบมาเลยเราดูในเอียงไหมอ่ะลองยกเลยอ่ะยกข้างซ้ายเลยอ่ะยกข้างซ้ายเอียงไปข้างไหนอ่ะนั่นคือกระบวนการเดินเกิดขึ้นแล้วกายที่เอียงวูบไ ป, ป น, นั่นกำหนดรู้หรือเปล่าสติปัฏฐานต้องระลึกถึงกายเดินเป็นอาการแรก คือกายที่จากท่าตรงแล้วก็เอียงไปเล็กน้อยเนี่ยเอียงส่วนเดียวหรือเอียงทั้งหมดอ่ะเอียงทั้งหมดก็รู้กายทั้งหมดที่เขาเอียงวูบไปอย่างเงี้ยสติก็ระลึกถึงเอียงกายที่เอียงวูบไปอย่างเงี้ยแล้วก็เท้าข้างหนึ่งรับน้ําหนักปรากฏชัดเราก็รู้เท้าข้างหนึ่งเบาเราก็รู้แล้วต่อจากนั้นไอ้เท้าข้างเบาเนี่ยก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเขาก็จะมีการยกขึ้นตอนนี้จึงค่อยรู้อาการยก แล้วต่อจากนั้นก็มีการย่างไปข้างหน้าจึงค่อยรู้อาการที่ย่างไปแล้วก็หย่อนลงจึงค่อยรู้พอหย่อนลงแล้วลองดูด้วยว่ากายเอียงอีกไหมคะนี้แบบนี้เรียกว่ากายโยกไปแล้วนะโยกไปข้างหน้ามีการโยกไปแล้วก็รู้กายที่โยกพร้อมกับเท้าข้างหนึ่งหย่อนก็ไปรู้อาการหย่อนแล้วต่อจากนั้นก็มีการยกมีการย่างมีการเหยียบลง แล้วก็มีการโยกไปเนี่ยก็ดูสลับกันเนี่ยดูขึ้นดูลงดูอาการที่ปรากฏโยกไปโยกมาาลองลองเดิ น, นีไปลองยกเดินแล้วมันจะโยกไปโยกมาจ้ะใจของเราเนี่ยก็จะต้องระลึกขึ้นระลึกลงระลึกระลึกในส่วนทั้งหมดเนี่ยถ้าโยกไปก็รู้โยกผู้ไปอย่างนี้กำหนดได้ไหมแบบนี้กาหนดได้ไหมไม่ใช่กําหนดเท้าอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะนี้ควารู้สึกของเราขยายไปทั่วกายไหมแบบนี้แบบนี้เรียกว่าทําความรู้สึกตัวทั่วรอบ ในกายเดินก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเขาคิดว่าไม่ไหวแล้วเดินสักระยะหนึ่งกายก็เป็นทุกข์จิตก็คิดว่าไม่ไหวพอแล้วนั่งดีกว่าพอจิตคิดนั่งเวลาใดนั่งตรงนั้นทันทีหรือเปล่านั่งทันทีไหมไม่ได้นั่งอะเดินจบหรือยังจบแล้วแต่ยังต้องเดินไปหาที่นั่งอยู่เนี่ยจะเรียกว่าอิริยาบถอะไรอ่ะนับเป็นขบวนการนั่งเนี่ยเพราะจิตคิดจะนั่งไอการไปไปเพื่อนั่งถ้าไม่ไปนั่งจะไม่มี นั้นนับไปสู่อียาบทนั่งอริยาบทเดินยืนนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่สําคัญอะไรเลยเน่ะต้องการให้เรารู้อาการเท่านั้นเองอาการที่ ท, ทุกๆอาการ เ, เนี่ย ท, ท่านต้องการให้เราตามอาการทุกๆอาการคือให้จิตอยู่กับ อ, อ, อาการกายายอาการคําว่าเดินเป็นคําสมมุติเท่านั้นเองยืนเป็นคําสมมติ น, นั่งเป็นคําสมมุตินอนเป็นคําสมมตุนนมมติเอาไว้สื่อกันแต่ประมัดจริงๆไม่ต้องสื่อเพียงแต่เข้าไปรับรู้รับรู้ในอ า, า อ, อาการกายกาอาการนั้นๆตอนนี้ก็ลองนั่งลองเสีย กำหนดทันไม่นั่งลงเนี่ยทานหรือเปล่าตอนเราไปอยู่ตามลำพังก็ทําแบบนี้น่ะทําแบบนี้หรือเปล่าตอนไปอยู่ตามลําพังเนี่ยได้ได้กําหนดแบบนี้บ้างหรือเปล่าเวลกนากําหนดก็เลือกชัดเจนน่ะอย่างเราย่อตัวลงเนี่ยอะไรชัดเจนที่สุดก็กำหนดตรงนั้นทุกคนจะชัดเจนไม่เหมือนกัน น, นั้นเลือกกําหนดที่ชัดเจนส่วนไหนชัดเจนแล้วเอาสติเข้าไปละลึกถึงเข้าไปรับรู้ในในอาจัปเรียกอาการนั้นๆ นี่เป็นเป็นกระบวนการของกายในในอิริยาบถนะที่เราต้องกระทําความรู้สึกเขาเนี่นั่งอยู่เนี่ยดูอะไรนั่งอยู่เนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเราเราจะดูอะไรถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเวลานั่งอยู่เนี่ยจะมีอยู่สองอย่างให้เราดูนะสองอย่างก็คืออิริยาบถนั่งแท้แท้ะอิริยาบถนั่งแท้แท้ประการหนึ่งแล้วก็อิริยาบถย่อยที่ไม่ใช่นั่งอีกประการหนึ่ง ทองยุบเนี่ยนับไปสู่อียาบทย่อยนะสงเคราะห์อะคองยุเนี่ยสงเคราะห์ว่าเป็นอยาบทย่อยต้องรู้อาการนะรู้อาการนั่งโยถ้ามีการยกมือขึ้นเป็นอะไรแบบนี้ยกมือเป็นนั่งหรือเปล่ายกมือไม่ใช่นั่งแต่ยกมือเป็นอียาบทย่อยวางมือลงเป็นอียาบทย่อยเหยียดมือออกไปเป็นอียาบทย่อยคู่มือเข้ามาเป็นอียาบทย่อย เราก็ทิ้งกายนั่งไปดูอียาบทย่อยพอดูอียาบทย่อยจบนั่งนิ่งนิ่งดูอะไรคราวนี้ท่านั่งนิ่งๆิ่งอยู่ดูพองยุคเป็นอียาบทย่อยจริงๆไม่ได้แสดงไว้ในหมวดอียาบทย่อยแต่นับอะนับส่งเคราะห์เข้าไปด้วยอะคราวนี้ถ้านั่งนิ่งๆ่งเนี่ยก็ใส่ใจเหมือนกับยืนเมื่อสักครู่นี้ให้ใจของเราขับเคลื่อนไปในส่วนต่างๆ นั่งท่าไหนรู้ไหมขณะนี้รู้ไหมเรานั่งอย่างไรศีรษะอยู่อย่างไรรู้ไหมมือวางอย่างไรรู้หรือเปล่าขณะนี้เท้าเราอยู่อย่างไรรู้ไหมลําตัวอยู่อย่างไรรู้ไหมรู้อย่างนี้นะที่บอกว่ากําหนดรู้ให้รู้ลักษณะเนี้ยเหมือนกับที่ตมาทาวน์น่ท่านทั้งหลายรู้รู้รู้มาสักครู่เนี้ยเอารู้อย่างนี้ก็พอและแบบนี้เรียกว่ารู้รู้กายนั่งแต่เราก็รู้เรื่อยไปอย่างเนี้ยนั่งทั้งวันก็รู้ทั้งวันเนี่ย นั่งดูทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปหลับตานะนั่งลืมตาเนี่ยรู้ได้ไหมขณะ น, นี้รู้หรือเปล่าเอาลืมๆตาอย่างเงี้ยชัดเจนเนี่ยตื่นชัดเจนอย่างเงี้ยรู้แต่ถ้าเราหลับตาเนี่ยเราเราก็กาหนดรู้ได้แต่บางครั้งเนี่ยเราจะไปเจออุปสรรคอุปสรรคคืออะไรอะทําให้จิตของเราเนี่ยเกิดการถดถอยทาให้เกิดทีนามิถะแล้วก็ทำให้บางที อย่าลืมนะว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์ของสมถะเนี่ยจะมีอุปาทานแทรกถ้าเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเนี่ยอุปาทานจะไม่แทรกอุปาทานเนี่ยเข้ามาแทรกโดยเราไม่รู้สึกตัวสันทรายฝึกลมหายใจเข้าออกนะตอนั่งปั้บจิตก็จะหาลมหายใจเข้าออกแล้วอาจารบอกว่าชํานาญเนี่ยจิตไปเองเนั่นแหละคืออุปาทานยึดมั่นทำไมจึงยึดมั่นน่ะยึดมั่นใน ในในในลมให้ใจเขาออกนั่นแหะเขาไปยึดมั่นเพราะจิตเนี่ยเขาเข้าไปยึดมั่นโดยเราไม่รู้สึกตัวพอเรานั่งเวลาใดจิตก็จะไปหาส่วนนั้นนี่งั้นก็ทําให้จิตของเราเนี่ยไปรับรู้อารมณ์อื่นๆไม่ได้เพอัะนั้นเป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจะปล่อยตลอดรูปมาก็ไปรับรู้แล้วก็ปล่อยเสียงมาก็ไปรับรู้แล้วก็ปล่อยกลิ่นมาแล้วก็ไปรับรู้แล้วก็ปล่อยิ่นมาแล้วก็ไปรับรู้แล้วก็ปล่อยลดมาไปรับรู้แล้วก็ปล่อยเย็นมากระทบรับรู้แล้วก็ปล่อย นั่จิตพร้อมที่จะปล่อยอารมณ์นั้นรู้เสร็จปล่อยรู้เสร็จปล่อยแล้วจิตไม่ยึดไว้แต่อารมณ์สมถะมันยึดไวยึดไวยึดไวยึดไว้ถ้ากำหนดลมหายใจก็จะเอาลมหายใจตลอดชั่วโมงหนึ่งก็ลมหายใจสองชั่วโมงก็ลมหายใจนั่งเวลาใดก็ลมหายใจสังเกตเรานั่งหลับตา ก, ก็อุปทานเองเหมือนกันนั่งหลับตาเนี่ยนะพอนั่งพับเนี่ยนั่งลืมตาสักเดี๋ยวตาค่อยๆหลับแล้วนั่นแสดงว่าจิตมีการยึดไว้ก็จะพาไปสู่การหลับ พอลับแล้วก็พาไปหาอารมณ์เดิมอีกกําหนดลมหายใจก็ไปหาลมหายใจอีกอารมณ์ความสมถะเนี่ยจะยึดมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะไม่ยึดมั่นในอารมณ์อะไรอะไรเลยคือจะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องยึดมั่นแต่เมื่อมีอารมณ์ใดมาปรากฏจิตพร้อมที่จะรับรู้อารมณ์นั้นๆทันทีอารมณ์ความวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ พิพัฒนาเป็นไปเพื่อปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยรู้แล้วก็จบพอเราเข้าไปรู้แล้วเนี่ยถึงเราไม่จบอารมณ์เขาก็จบจิตเข้าไปรับรู้แล้วอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏก็จบไปแล้วจิตก็ต้องจบไปด้วยไอ้ตัวรับรู้เขารู้เสร็จแล้วก็จบไปด้วยมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเราจะรู้รู้รู้รู้แล้วก็รู้ไวรู้ไว้่งอะไรมาก็รับรู้ไวไปหมดในการการเจริญพิพัฒนาเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องจับเรดาร์ไง การฝึกวิปัสสนาเนี่ยเครื่องจับเรดาร์ที่เขาคอยคอยจับข้าศึกจะเข้ามาทางนั่นฟ้าอากาศเนี่ยไม่ว่ามันจะมาทางไหนก็แล้วแต่เรดาร์มันจะวิ่งเข็มทิศมันจะชี้ไปมันมันคีปนาวุธมันจะมาทางไหนเรดาร์เขาจะชี้ไปชี้ไปเเี่อสติของบุคคลที่จะเริยนวิปัสสนาคนไม่กันอารมณ์จะปรากฏทางไหนเนี่ยสติก็จะไปหาไปหาไปหาอารมณ์มาทางทางสติก็ออกไปออกไปออกไปออกไประ ล, ลึกถึง มาทางหูก็ออกไประลึกถึงมาทางจมูกก็ออกไประลึกถึงเนี่ยพร้อมที่จะออกไปทันทีโดยไม่ได้ประยึดมั่นว่าต้องรอรู้ตรงนั้นแต่อารมณ์ของสมถะจะไม่เป็นแบบนั้นสมถะเนี่ยจะไปคอยรับรู้ตรงนั้นแห่งเดียวแล้วจะไม่ไปที่อื่นนี่จะแตกต่างกันตรงนี้เ พ, พอจับประเด็นได้ไหมเรื่องของสมถะและเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมีแตกต่างกันตรงนี้ในววันนี้ธรรมาก็ต้องการเสริมนะเสริมเรื่องอิริยาบท ยังเป็นอุยยาบทใหญ่ๆนะอุยยาบทหยาบอุยยาบทเดินอุยยาบทยืนอุยยาบทนั่งแล้วก็อุยยาบทนอนนะแถมให้ใช้บ้างแล้วหรือยังแต่ไม่อนุญาตอุยยาบทหลับนอนได้แต่ต้องระวังคือการเจริวิปัสสนาเนี่ยต้องคอยระวังนะระวังเอาแต่เพียงพอดีอย่าให้เกินพอดีเราจะต้องรู้ความพอดีของเจ็บนะว่าถ้าเราใช้อุยยาบทอื่นไปมากแล้วเนี่ย มันเส้นยืดมันตึงเนี่ยนอนลงไปเนี่ยนะมันคลายแต่นอนเนี่ยเราไม่หลับ